เราอยากให้จิตใจของหนุ่มเพื่อนได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมตามที่ท่านสแสดงไว้ด้วยหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วไม่ได้มาพูดเป็นรว ม, มออๆแรงๆเฉยๆพูดออกมาจากความรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์จริงๆในบรรดาธรรมทั้งหลายเริ่มแต่สมาธิขึ้นไปถึง เป็นขั้นขั้นของสมาธิคือความละเอียดแห่ความสงบและเป็นขั้นขั้นของปัญญาละเอียดแหลมคมไปโดยลําดับดังนั้นก็ถึงขั้นนี้มุดหลุดพ้นซึ่งไม่นอกเนื้อไปจากเท้าว่าที่ทรงส่งสอนไมาแล้วนี่เลยพวกเราที่ปฏิบตัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกของตน ทำไมจึงไม่สัมผัสสัมพันธ์ธรรมที่แสดงไว้ทั้งเหตุทั้งผลซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่แยกกันไม่ออกนอกจากจากการตระคุยปฏิบัติมันเก๋ออกนอกรูนอกทางไปเสียโดยความทั้งเผลอหรือความอ่อนแอของเจ้าของเองไม่เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติตัวเองด้วยสติเป็นสําคัญการปฏิบัติเวทีง่ายแต่ พระครั้งพุทธการทั้งหมดสาเร็จมรรคผลนิพพานก็มอบให้ท่านทั้งหมดการสาเร็จมรรคผลนิพพานของท่านเป็นฝ่ายผลการปฏิบัติของท่านท่านปฏิบัติอย่างไรผู้สนใจในผลที่ท่านได้รับแล้วเพื่อเป็นสมบัติของตนก็ควรจะคำนึงถึงเหตุคือการดาเนินของท่านท่านเอาจริงเอาจางังท่านมาทำเร่ๆร่อนๆตุกเลกโลเลเหมือน พวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติกันอยู่เวลานี้ซึ่งผู้อบรมสั่งสอนก็อกจะแตกพราสอนด้วยความจริงใจจริงๆไม่ได้สอนเล่นๆการสอนนี่ก็สอนด้วยความแน่ใจด้วยไม่ได้สอนแบบลูปคำคำเราพูดอย่างเต็มปากด้วยความจริงใจของเราที่เป็นที่รู้ที่เห็นมาอย่างนั้นทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลเราจรึงกล้าพูดทุกแง่ทุกมุมในธรรมทั้งหลายให้ผู้มา ศึกษาอารม์ได้เข้าใจอย่างถึงใจแล้วนำไปคุยปฏิบัติอย่างถึงใจการรู้เห็นธรรมอันเป็นฝ่ายผลก็จะได้รู้เห็นธรรมอย่างถึงใจเป็นลำดับลาดับไปนี่เป็นอย่างไรตื่นข่าวกันมาอะไรบ้างหลังไหลกันมาไม่ได้เหตุได้ผลเดี๋ยวอง น, นั้นมาเดี๋ยวอง น, นี้มามาก็เห็นได้เหตุได้ผลเก้งๆ ก, ก, กางๆ มีกีรายเข้ามาต้องขวางตาทุกรายทุกรายไปแม้ที่สุดการเดินบินท่าบาทเท่านั้นก็นยังขวางตาแสดงม่เห็นแล้วว่ามันขวางมาตั้งแต่เมื่อไหร่เหมือนกับไม่ได้บวชเข้ามาอบรมศึกษาอใ น, นเลยดูเฉยๆกินเฉยๆนอนเฉยๆเอาเพศนั่นมาเป็นพระผลนิพพานได้อย่างไรถ้าไม่ใช่การประบัติปฏิบัติําจัดกิเลสซึ่งเป็นเครื่องรกุงรัง ขวางหูขวางตาขวางใจตัวเองและคนอื่นอยู่ภายในตัวนั้นเท่านั้นมีเห็นเกิดประโยชน์อะไรมือช้าก็เดินดุพระเดินเร้งๆกลางๆขวางหน้าขวางหลังอย่างนั้นจะไปก็ไม่ไปทั้งทังที่ไม่ใช่พระแต่พระชราค้ามข้าอะไรพอจะเดินให้ทันหมู่ทันเพื่อนไม่ได้นี่แหละที่มาลายไหนมามันก็ขวางอย่างนี้หมู่เพื่อนเดินไปถ้ามาศึกษาก็ดูก็แล้วนี่ ไปยังไงก็เดินไปตานท่านก็แล้วกันจาเป็นยังไงต้องให้พูดให้ว่ากันเมื่อเช้านี้สองห น, นมีกี่ลายมันต้องขวางทุกอย่างเลยทุกรายนั่นแหละกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยกันได้นี่แทบเป็นแทบตายดู ห, หัวใจตัวไปที่บินทะบายมองดูอะไรหัวใจมันเป็นยังไงมาปฏิบัติก็เพื่อจะรักษาใจใจเป็นอะไรจึงต้องรักษามันมีอะไรอยู่ภายในนั้น มีแต่พิษแต่ภายเต็มหัวใจคิดออกมาในเนี้ยใดมีแต่เรื่องของกิเลสปัญหาเสระว่าเครื่องรดกรุงรังกว้านเข้ามากุ้มดุลจิตใจผลามจิตใ จ, จ, ใ, จให้เดินร่อนตลอดเวลายังไม่เห็นโทษของมันแล้วจะไปเห็นโทษที่ไหนหรือจะโยนให้ฆ่านักฆ่าพุทธการที่ท่านสั่เด็จมรรคผลที่ผ่านไปแล้วนั่นหรือเป็นผู้รับคอยรับบาป ท, ทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นเราทำขึ้นด้วยความประมาทของเราใครจะรับเห็นเกิดขึ้นจากที่ไหน ถ้าไม่เกิดขึ้นจากเราแล้วผลใครจะเป็นผู้รับแทนได้ไม่มีใครรับแทนได้ประกาศเด่นก็มีใครจะมาโง่บัดซบถึงขนาดจะต้องมารับผลกรรมของผู้อื่นที่ทําขึ้นมาไม่มีในโลกนี้ใครจะไปยินดีรับของไม่เป็นท่าไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นสาระแต่งสาร ม, ม, มีแต่มูดแตกขูดเต็มหัวใจของเราแสดงออกในแง่ใดก็มีเถิด ออกมาจา ก, จากของโสขปุกโสหมผลปรากฏขึ้นมาเป็นความทุกข์ร้อนจใจก็ดื่นมารับได้อย่างไรใครจะยินดีรับหากว่าเป็นของรับได้ก็ดีแต่นี้เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครมารับได้เพราะกฎหลักธรรมชาติมันอยู่กับตัวเองผู้สร้างผู้ทำขึ้นมามาตั้งใจศึกษาแห่งศึกษาที่ตามีอยู่หูมีอยู่มีไว้สาหรับอะไรตาดูหูฟังใจคิด ให้ได้เหตุได้ผลจากการมาศึกษาอบรมจริงๆยิ่งๆืงๆ่ว่าเป็นผู้มาศึกษามาเด้นเด่นด้านดานไม่ได้เรื่องได้ลาวใครทำอะไรก็ดูอยู่เหมือนตาไม่ไผ่มันหูกระทอไม่สนใจหูกระทอหูกระทะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วมาเรื่อยๆให้หนักใจเปล่าๆมาจีดมาขว้างมากดมาถ่วงกันอยู่นั้นแหละเจตนาไม่ไม่มีเจตนาก็ไม่สาคัญสาคัญที่มันผิดต้องเป็นผิด หนักต้องเป็นหนักอย่างนั้นแหะขวางต้องเป็นขวางสิ่งไม่ดีต้องไม่ดีให้เห็นงนั้นเองแสดงให้เห็นพื้นหรือภูมิของตัวเองพื้นเพลที่เคยเป็นมาเป็นยังไงมาประกาศนั่นแหละที่มากีดมาขวางทจนเก้งกั้งมีนั่นนั่นแหะภูมิของตัวพื้นเพทของตัวเองไม่เคยสนใจไม่เคยเอาไหนกับอะไร วเวลาเมาเกี่ยวข้องกับหมู่คณะผู้ตั้งอก ต, ตั้งใจมันก็มากรีดมาขวางหูเพื่อนให้รับความลําบากลำบนจะพูดอะไรก็พูดยากนั่นแหะถ้าสิ่งไม่ดีมันขวางรู้ไหมถ้ากันรู้แล้วอย่างถ้าสิ่งดีแล้วไม่ขวางพูดออกมาก็ไม่ขวางหูกิยาการแสดงออกทุกอาการที่จะมองเห็นด้วยตาก็ไม่ขวางตานั่นเรียกว่าเป็นธรรม ถ้าอันไหนขวางหูขวางตาล้วนแล้วจนงจะเป็นกิเลสทท้านั้นะมันขวางทมผู้มุ่งต่อทมจึงต้องได้รับความไม่สะดวกสบายใจในการแสดงออกของกิเลสแห่งบุคคลผู้ประมาทนั้นทำไมจิตอยู่กับตัวพยายามบังคับกันอยู่ทุกระเวลาทำไมจึงจะไม่ปรากฏผล มันจะนอกเหนืออำนาจของธรรมไปไหนกิเลสประเภทต่างๆถ้าเราตั้งใจกาจัดจริงๆระมัดระวังรักษาจริงๆรักษาใจมันจะดิ้นไปไหนถ้าติมีอยู่รักษาอยู่ปัญญามีอยู่ทําเครื่องกาจัดมีอยู่แล้วแท้ๆทําไมจึงปล่อยให้กิเลสมันถูดมันลากไปทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ทวงเอาแต่มรรคนิพพานจากความเพียงที่หาสติสตังไม่ได้นะั้นมีอย่างที่ไหน ทำอะไรต้องจริงต้องจังยิ่งมาทำเรื่อยๆ่อนๆอ่อนแอได้เลยทำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทำอ่อนแอใครเป็นคนจริงจังยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกนี้เอามาเสมอเลยการประกอบความภาพเพียนก็มีใครสลบทลายนาดพระพุทธเจ้ายากหรือไม่ยากการขุดค้นธรรมะมาให้เป็นประโยชน์แก่โลกก็ลือว่าสาธดาแล้วเป็นผู้หนึ่ง ในความทุกข์ความยากความลําบากความทรมานทุกสิ่งทุกประการในฝ่ายเหตุที่ทรงบาเพ็ญไม่มีใครสู้บุตรทุเรศฝ่ายผลที่ได้มาก็ไม่มีใครที่จะเลิ่ยิ่งก่อพระพุทธเจ้าไปได้เป็นศาสดาถึงโลกทั้งสาม เ, าเราแค่จะเป็นครูสอนเราให้ได้เรื่องราวให้กิเลสปังหาอสุาวาคลอดสงบลงไปจิตใจะจะได้เย็นด้วย สมาธิด้วยปัญญามันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ไม่ปรากฏนี่ทำอย่างไรเรามาลูกคลามอะไรกันอยู่เวลานี้ไม่จริงไม่จังแล้วจะเห็นของจริงจากที่ไหนของจริงจริงทุกด้านไม่ว่าฝ่ายสุโมไทยไม่ว่าฝ่ายมัคต้องจริงทุกด้านสุโมไทยเกิดขึ้นมาก็เป็นเกย์จริงๆผลที่ผดขึ้นมาจากสุโมไทยก็เป็นทุกจริงจริงมัคคือข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นสําคัญ ก็เป็นสติปัญญาจริงๆถ้าเราผิดขึ้นมาแล้วแก้กิเลสทุกประเภทได้จริงๆไม่สงสัยในโรดความดับทุกเมื่อสติปัญญามีความสามารถมากน้อยเพียงไรในการแก้กิเลสออกโดยลําดับก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาเป็นความดับทุกโดยลําดับลำดับไปจนถึงขั้นสุดท้ายดับไม่มีเหลือเพราะอานาจของมรรคสมบูรณ์แล้ว <c oughs> นั่นท่านดําเนินอย่างนังน้น เราไปหาผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่คน้นหาด้วยข้อปฏิบัติด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเปลี่ยนของเรามรรผลนิพพานอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่ในขัง้งพุทธการก็เป็นของท่านไม่ใช่ของเรากิเลสอยู่ที่ไหนเวลานี้ความมืดตื้อความบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลามันอยู่ที่ใจหร้ออยู่ที่ไหน แล้วที่นี้การแก้กิเลสกทําให้แจ้งซึมมะพรุนที่ผ่านเราจะแก้ที่ไหนถ้ามาแก้ที่ปลูกพิมพ์ตัวเองอยู่เวลานี้ด้วยกิเลสประเภทต่างๆเต็มอยู่ภายในหัวใจนี้เราจะไปแก้ที่ไหนกันแก้ไม่แก้ด้วยความภาคเทียนไม่แก้ด้วยสี่ปัญญาจะอะไรมาแก้เครื่องมือนี้ท่านเคยแก้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วตลอดการไหนๆไม่เคยซือไม่เคยล้าสมัยถ้าคนที่ควรอยู่ในสมัยที่จะ ทรงมาผลนิพพานไว้ได้จะไม่ลอกเหนือจากความเพียรของผูนั้นไปได้เลยนอกจากเป็นโมฆะพิสูจเท่านั้นคลองผ้าเหลืองมาแล้วก็หวัดตัวเป็นพระเอาดินเหนียวมาติดหัวแล้วกรหวัดตัวมีหงอนเท่านั้นแล้วก็โออาภาคภูมิในเพศของตนเพียงผระเหลืองเท่านั้นไม่ได้ภาคภูมิในข้อวัดปฏิบัติในความภาคเพียรในความอดหารการต่อสู้กับที่เหลือประเภท ต, ต่างๆให้มัน พินาศที่หายไปโดยลํำดับลำดับนี่ควรจะเป็นความภาคภูมิอย่างนี้มันไม่ได้ภาคภูมิเพราะไม่ทาไม่จริงไม่จำเราจะเอาอะไรมาเป็นจริงเป็นจังในตัวของเราถ้าทําไม่สัมผัสสัมพันธ์ภายในใจตั้งแต่สมาธิทําขึ้นไปถึงปัญญาทำยิ่งโมกข์ทำเราจะหาความแน่ใจไว้วางใจหาสาระแก่สารภายใน จ, จิตใจหรือสาระคุณภายในใจเราได้อย่างไร นั่นเป็นเพศอันหนึ่งเึงประกาศให้โลกทราบเท่านั้นไม่ได้ยังไม่ได้เป็นความจริงความจังที่จะรับผลตอบแทนแต่ประการใดถ้าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักทำที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ย็ดมันจฉาผาด ผ, าผลโลดเต้นไปไหนนักหนาเกินโลกเกินนิาสานของเกินอัดเกินทำไปทีไหนถ้านำธรรมเข้ามาบังคับามาฝึกมาท ร, รมานมันต้องยอมจนอนํานวนจนได้ ไม่ยอมหาคนดีมาได้ในโลกนี้อย่ามาอยู่เฉยๆให้เสียเวล า, เ, วลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์มาศึกษาอารมก็ต้องเอาจริงเอาจังให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นอับเห็นธรรมขึ้นภายในใจการสอนนี้ไม่ได้นำธรรมมาจากไหนออกมาจากใจนี่มาสอนหมู่เพื่อนไปแล้วการทำก็ทำที่นี่กําจัดจันที่นี่กิเลสมีอยู่ที่ใจกําจัดที่ใจโดว ย, ยวิธีใดก็นํามาสอนหมดไม่เคยปิดบงังหรือลับเลยแม้แต่น้อย นี่ก็ให้เอาทำที่อื่นมาสอนเอามาไม่ได้รากฏที่ไหนเคยทํามาอย่างไรเคยรู้เห็นอย่างไรก็เอาทำนั่นหลังมาแสดงนั่นเอนครับซึ่งเป็นที่แน่ใจในตุนแล้วไม่สงสัยใครจะจริงก็จริงหว่วงอะไรหว่วงป่าชา้าการเกิดตายเคยเกิดเคยตายมากี่พวกกี่ชาติเพราะอําอนาจของกิเลสปัญหาภาโลกภาเวียนแล้วยังเห็นโทษของมันแ ล, แล้วเราจะเห็นโทษอะไรทุกวันนี้ที่ทําให้ เกิดความทุกข์ความลําบากภายในจิตใจตลอดถึงปรากฏเป็นท่าเป็นขันขึ้นมาให้แบกให้หามพร้อมจะอุปทานเหล่านี้ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสโทษทางความยึดความถือนี้จกมาจากไหนไม่มีทางมาของทุกข์ทั้งหลายอา้าลองปฏิบัติลองดูสิเอาให้จริงให้จังคําว่าสมาธิอย่าให้มีแต่ชื่ออย่าท่องแต่จจนปากจะฉีกจะเฉยคล่องปากคล่องใจแต่สมาธิภายในใจไม่ปรากฏอย่าให้เป็นอย่างนั้น สมาธิท่านว่าอย่างไงแต่เราอะไรบ้างสมาธิก็คือความสงบจิตตั้งมั่นเนี่ยว่าเป็นสมาธิธรามาเหราไม่จงจะตั้งมั่นเวลานี้จิตเป็นยังไงมันโยกมันทลอนเราเลาะเลยแหละไปกับพิเดชทันหาอาสวะที่จุดที่รากไปอยู่ตลอดเวลาบางคับจิตใจที่มันพุ่งเฟอ้อเห่เหิมนั้นเข้ามาสู่อัตถุธรรมในวงสติในวงปัญญาบางคับให้อยู่ ไม่ให้กิเลสฉุนลาวไปด้วยความมีสติด้วยดีทําไมจิตมันจะไม่ลงสู่ความสงบได้เมื่อกําจัดความคิดตึงทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องยุ่ใหญ่ก่อความขุ่ใจอยู่โดยลําดับดับจนกระทั่งมันตึงขึ้นเรื่องราวอนใดที่เป็นกิเลสไม่ได้แล้วทําไมจะไม่เป็นธรรมคือสมาธิธรรมต้องปรากฏา ม, มีสติสืบต่อกันไปโดยลําดับไม่ว่าจะเดินจะเดินกะนั่งจะนอน จิตกับสติไม่เหินห่างจากกันเอาจิงเอาจังอยู่เช่นนั้นยิตต้องสงบเป็นอื่นไปไม่ได้เมื่อสงบแล้วต้องต้องเห็นสมาธิแล้วจิงสมาธิเป็นอย่างนี้เน่รู้เองคือความสงบนั่นแหละเป็นสมาธิเริ่มต้นสงบก็เริ่มต้นเป็นสมาธิสงบมากเพียงไรจนเป็นบาทเป็นฐาน แน่นามันคงก็ยิ่งเป็นสมาธิที่แน่หนามันคงมากขึ้นดูพายใจิตใจนั่นเองไม่อยู่ในที่ไหนองค์สมาธิแท้ๆอยู่ที่นั่นการพิจารณาทางด้านปัญญาเราไม่ต้องหาเวลา เ, เวลานอกจากจิตที่กำลังพักสมบเท่านั้นเวลาจะพิจารณาเวลาจะภาวนาให้สงบก็ต้องเอาจริงเอาจัง อุบายวิธีใดที่จิตใจจะเป็นไปเพ่อความสงบเพื่อการกดขี่บังคับของใจก็ทําลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เวลาจิตขยายตัวออกมาจากความสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาเป็นสําคัญเพราะจิตมีพื้นมีฐานเป็นความสงบบ้างแล้วมีทางที่จะพิดอ่านแต่ตองอะไรต่ออะไรได้ด้วยความมีสติเป็นเครื่องควบคุมงานแห่งการพิจารณาท่องต้น พิจาระต้องให้จริงให้จังให้ความรู้ความจดจ่อต่อเนื่องเจตนาให้อยู่กับสิ่งนั้นจริงๆอยาศักดิ์แต่ว่าพิจารณาเอาเวลาเวลาเข้ามาเหยียบย่ำทําลายความจริงให้เสียไปหมดเอาความจริงพิจารณาความจริงคชาติเป็นความจริงปัญญาเป็นความจริงความเพียรเป็นความจริงย่อมจะติดตามความจริงทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายต่ําได้แก่คิเดือดปัญหาสภาวะได้โดยลําดับลําดับไม่ต้องสงสัยเพราะท่านเคยดําเนินมาแล้ว พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกตวลาดครูอาจารย์ทั้งหลายท่านดาเนินมาแล้วได้ผลมาแล้วด้วยวิธีการที่กล่าวมาเหล่านี้ทําไมเรานํามาประพื่อปฏิบัติจึงจะไม่ปรากฏผลถ้าเราจริงจังตามหลักธรรมด้วยเจตนามุ่งหมายต่ออัตถธรรมจริงจริงไม่คาดเคลื่อนจากสติที่บังคับงานต้องได้ผลการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าข้างนอกข้างในจิตใจมันติดมันคล้องอยู่อะไรเช่นรูปเป็นต้น เอามาคลี่คลาดูให้เห็นละเอียดละออ ก, กี่ครั้งกี่หนไม่สําคัญสําคัญที่ความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงเป็นขั้นเป็นตอนไปนั่นแหละเป็นความถูกต้องย้อนเข้ามาพิจารณาภายในก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหุ่มห่อกันไว้มีแต่กองกระดูกเต็มหน้างนี้เรายังว่เป็นอของเสือข้งงามข้างอิ๋งข้างดีว่าเป็นจัดเป็นบุคคลอยู่หรือมันโง่ขนาดไหนจิตที่เราให้ถูกที่เหลสหลอกกัน าำขี่คาลงไปจนไม่ถึงความคี่คาของทำก็แก้เป็นเรื่องแก้ขี้เลยความงมงายของตัวเองนั่นแหละช้อนกรรมาฐานเยสาโรมาณาคาันตาตะโจกเนี่ยดูผมก็ดูสิมันมีคุณค่ามีราคาอะไรเพราะที่จะหลงติดหลงพันมันงนั่ ง, งาผลก็เหมือนกันแม้แต่ขนหมามันยังมีขนสัตว์มันยังมี ผมขนเรามันจะวิเศษวิโสไปไหนพอให้ติดให้พันมันมันออนักอนาเล็บพันเนี่ยของสัตว์มันก็มีมาวิเศษวิโสอะไรตั้งแต่เล็บพันของมนุษย์ล่ะหนังก็เหมันกันหนังสัตว์มันก็มีมันวิเศษวิโสอะไรยิ่งกว่าหนังคนพอที่จะติดขวาวพอพันอนักหนาพิจารณคลี่คลายดูให้มันเห็นชัดเจนดูข้างนอกแล้วดูข้างใน พิชไปพิชมาดูทุกเล่ทุกเดี่มทุกสันทุกคมมันเห็นชัดเจนดูเข้าไปเนื้อก่อเห็นดูสิเห็นกระดูออกแน่ลงไปข้างในสลายยิ่งเห็นแต่ของปฏิคูณตกเป็นไปหมดทั้งล่างนี่แล้วยังจะมาแบกมาหามหาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเหวินั่นคือกิยิ่งเลอะมันดื้อต่อธรรมอย่างนั้นให้เรารู้มันไม่ยอมเห็นตามธรรม มันต้องฝืนไปแบบมันนั่นแหละทีนี้เราพูดยอมจํานวนที่เชื่อมันมันก็ต้องถูกลากถูกเข็นถูไถไปถลอกปอกเปิดไปด้วยความทุกข์ความลําบากความทรมานหาที่ยุติไม่ได้มีแต่ความเุ่งกลา่นนำความจิตใจพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี่แล้วจิตใจมันจะดิ้นไปไหนโลกธาตุนี่มันเหมือนกันหมดถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันก็มีอะไรมากกว่าการยิ่งกว่าการวิเศษวิโสกว่ากัน พูดถึงหนึ่งกองนี้จังทุกขังอัตตามันก็เต็มไปหมดในร่างกายมันก็พูดถึงการความปฏิคูลโศกโกรก ค, ความเป็นอยู่ของมันก็ไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเต็มเพืวอความปฏิกูลโศกโกกเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ตาเ น, นื้อดูก็ไม่ผิดนั้นเหตุนใดตาสติปัญญาซึ่งควรจะแหลมคมยิ่งกว่าตาใจนี้ทําไมจะไม่รู้มาเห็นความจริงหล่านีที่มีอยู่ขั้นต้นแยกแยกพิจารณาให้เห็นทัดเจนลงไป ในขณะพิจารณาไม่ต้องไปวุ่นไปห่วงกับเรื่องสมาธิคือความสงบพิจารณาให้เป็นการเป็นงานให้เข้าอกเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายหรือนอกร่างกายก็ตามมันเป็นสัจธรรมได้ด้วยกันถ้าพิจารณาให้เป็นเป็นมรรคเป็นหน้าทั้งนั้นถ้าคิดให้เป็นสมุทัยทั้งในก็เป็นข้างนอกก็เป็นคิดด้วยความรักความชมความยินดีในสิ่งนี้ว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นสิ่งกีรังถาวรนั่นคือเรื่องของสมุทัย คิดทั้งนอกก็เป็นสมุทยัยคิดข้งางในก็เป็นสมุทยัยเมื่อคิดไปในทางทีละทีถอนตรงกันข้ามกับคำ ว, ว่าสวยว่างานตรงกันข้ามกับคําที่ว่าแน่นหนามันคงจิตใจย่อมปล่อยวางย่อมเพราะความเข้าใจในการพิจารณาตามหลักความจริงนี่การพิจารณาเป็นางานนั้นถือเป็นการเป็นงานจริงๆเรื่องของความสงบก็ดีเรื่องของปัญญาก็ดี เมื่อถึงขั้นตอนใดที่ควรดําเนินแบบใดดําเนินทางด้านปัญญาดําเนินทางด้านสมาธิก็เอาจริงเอาจังให้เป็นจิตให้เห็นความสงบของใจจริงๆขณะที่ดําเนินทางด้านปัญญากตั้งใ จ, จพิจารณาคิดคาดูให้เห็นสั่ง แ, งแง ก, ก่แจ่มชัดเจนตามความจริงที่มีอยู่ภายในร่างกายของตแนและอื่นๆภายนอกนั้นทำไมจะไม่เห็นทําไมจะไม่รู้ของจริงมีอยู่ทัดๆเราฝืนความจริงแคเฉย จิจมันจึงเปลี่ยนไปไม่ได้ทำํำไ้ฝืนต้องรู้ร่างกายของเราก็เห็นอยู่แล้วนีความแปลสภาพก็เห็นอยู่ความทุกข์ความลําบากเป่วยโรคภัยไข้เจ็บความหิวความกระหายจุกไข้ได้ป่วยบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาฉันก็บอกว่าร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรคเนี่ยไม่ใช่รังแห่งความแน่นหนาทวารไม่ใช่รังแห่งความสวยความงาม เป็นรังแห่งอนิจจังทุกขงังนรตารังแห่งความปฏิพูลโศโกปาชาพิฎิษทั้งนั้นพูดทำหลักธรรมเป็นความจริงอย่างนี้มีจิตใจมันแย้งกันกับหลักธรรมมันขัดกันต่อสู้กันกันกบธรรมเราเป็นฝ่ายเข้าเราเป็นผู้เข้าฝ่ายพิลิ เ, เลยทําลายตัวเองความจริงไม่ปรากฏสมาธิก็เลยได้ยินแต่ชื่อบัญญาก็ยินแต่ชื่อองค์สมาธิที่แท้จริงก็ดีบัญญั ที่เป็นเครื่องฟาดฟันหันแหลกครับพิเดตทั้งหลายแท้จริงก็ไม่ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนั้นพิเดตมันจะสลอกปลอกเปิดกไปได้อย่างไรสติปัญดาของเราไม่มีมาใช้ต่อสู้กับมันบ้างมีแต่ยื่นด้ามดาบให้มันฟันเอาฟันเอาเจ้ของไม่จับด้ามดาบฟันมันเลยปัญดากอกายเป็นสัญญาไปเสียหมายนั่นหมายนี้หรอกเพวงตนเองมีการพิจารณาปัญญาพิจารณาอย่างนั้นเอาให้จริงให้จัง ไม่ยอมให้อิตจฉาไปไหนเวลานี้จะทํางานตามหลักธรรมของพระเจ้าทํางานเพื่อความรื้ฟื้นจิตใจของตนที่ถูกกิเลสหยามย่ทำทําลายจน จ, งจงมิดให้โผล่ตัวขึ้นมาทำลายสิ่งที่ปกคลุมจิตใจให้หมืดมนอนตะการนี้ให้มีความสว่างสวยขึ้นมารู้สมาธิด้วยปัญญาไม่หยุดไม่ถอยเป็นก็ตามตายก็ตามงานอื่นเราได้เคยผ่านมาหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระ คุณพอที่จะให้เป็นเที่ยวหรือเป็นที่ไว้ อ, อกไว้ใจได้เลยแต่งานภายในคืองานรื้อภพรื้อชาติงานกรรมาฐานนี่เป็นงานสําคัญที่จะถอดถอนกิเลสปัญหาอาสะวะหรื้อภพรื้อชาติไม่มีเหลือเรียกว่างานล่างปา่าช้าป่าช้าคือความเกิดตายนี้อยู่ภายในจิตกับร่างกายอันนี้คือเป็นผลแห่งภพแห่งชาติหรือเป็นผลแห่งกิเลส มันติดขึ้นมาเราให้จริงให้จังเลยผีนาลงไปแล้วมไม่เห็นมีอะไรมันก็มีแต่นั้นเท่านั้นฐารปฏิบัติถ้า อ, อนแอแล้วไม่มีหวังนะต้องฝืนฝืนกับพี่เลสจึงเรียกว่าต่อสู้ี่เลสไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อสู้กิเลดมันอยากอย่างนั้นมันต้องการอย่างนั้นทำก็ต้องฝืนทํา ให้เป็นอย่างนี้ต้องเป็นไปตามธรรมฝืนกิเลสให้เป็นไปตามธรรมจึงเรียกว่าต่อสู้กันม่เชนั้นไม่เรียกว่าต่อสู้ความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นเรื่องนิสัยของโลกนิสัยของกิเลสนั้นมันติ่มอยู่ตลอดเวลาเค็ลนล้นฝั่งอยู่แล้วแต่ความอยากรู้อยากเห็นในด้านธรรมานี้มีจํานวนน้อยหรือมีกําลังน้อยยิ่งกว่าความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นฝ่ายกิเลสนั่นก็แค้กิเลสเรื่อยๆไปพยานจึงต้องต่อสู้ไม่เสียดายในความอยากรู้อยากเห็น ฟันจิดลงไปหากห้ามจิดลงไปอย่าให้ฝืนอย่าให้มันฝืนเราได้เราต้องฝืนมันให้ได้ได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองต่อไปเรื่อยๆครั้งที่สามเรื่อยๆแล้วมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับทีนี้ไม่ถอยสติปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมให้มีความแก่กล้าสามารถได้จนกายเป็นมหาสติมหาปัญญาฟังเลสิ ออกจากสติที่ล้มลุกคุกคานได้บ้างเสียบ้างในขั้นเริ่มแรกที่เรายังไม่เข้าใจในอดในธรรมเพิเรื่องพิ่งหัดก็มีได้มีเสียแม้ เ, เจตนาเต็มอยู่เลยสมบูรณ์ก็ตามแต่เพราะอํานาจของกิเลสมันมีอยู่มากมีกําลังมากสามารถที่จะทําลาสติปัญญาให้ล่มจมหรือหายไปได้ในขณะในขณ ะ, ขณะหนึ่งแต่พอรู้สึกเมื่อไรก็ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นม า, ต, มาตั้งมาหลายครั้งหลาผลก็ติดต่อสืบเนื่องกับเป็นลําดับทั้งฝ่ายสติทั้งฝ่ายปัญญา ปัญญาและพิจารณามากน้อยเพียงไรยิ่งมีความคล่องแคล่วตัวเองขึ้นเดยลำดมีกําลังความสามารถและคล่องแคล่วไปเรื่อยๆพิจารณาขั้นนี้คล่องแคล่วแล้วต่อไปขั้นนั้นคล่องแคล่วคล่องแคล่วไปหมดสติก็ติดตามงานโดยลําดับลําดับจนกลายเป็นสติกับปัญญาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกจากกันนั่นนหะทันเดียวมหาสติมหาปัญญาอู่กับผู้ที่อบรมบำบ u l o สติปัญญาอยู่โดยลําดับ แต่ปรากฏขึ้นที่ใจนี่นเลความุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายเป็นความเลื่ความประเสริฐของใจดวงนั้นของบุคคลผู้นั้นการจมอยู่ในกิเลสตันหะอาสวะจมมานานแล้วไม่เห็นมีความวิเศษวิโสอันใดเลยนี้ตั้งแต่ความทุกข์ความลาบากทรมานมาตั้งกี่กับกี่กันนับไม่ท้วนนี่โทษของมนนันควรจะเห็นแล้วคุณค่าของความุด้นจากทุกนี้ ไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกทั้งสานี้จิตทีตตต่มันดีดมันดิ้นมันวุ่นวายสายแสบ ท, ท, ทางนู้นทั้งนี้อยู่ตลอดมานั้นเพราะเรื่องของกิเลสพาให้เป็นทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมพาให้เป็นถ้าเรื่องธรรมพาให้เป็นหนึ่งจิตใจต้องสงบเป็นสมาธิทสองจิตใจย่อมมีความคล่องแคล่วแกล่ากล้าด้วยการพินิจพิจารณาถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นทำการผิดออกมาได้โดยลําดับ จนกลายเป็นกิเลสที่เป็นสติปัญญาที่คร่องตัวขึ้นมากิเลสมันจะมีหนาแน่นขนาดไหนพ้นอ ำ, อำนาจของสติปัญญานี้ไปไม่ได้สุดท้ายกิเลสก็หมอกที่แรกสติปัญญาหมอกกิเลสออกเพ่นพลานหนักเข้าหนักเข้ากิเลสก็หมอกตัวตายก็ตายไปตัวไม่ตายก็หมอกสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาสุดท้ายก็เอาให้แหลกไม่มีอะไรเหลือเลย นั่นแหละความวิเศษอยู่ตรงนั้นจิตใจที่หลุดพ้นจากยิเลททั้งมวลแล้วเป็นจิตใจที่วิเศษโดยไม่ต้องเสกสรรวิเศษหรือเลิศโลกเนือโลกอยู่ที่ไหนก็เหนืออยู่อย่างนั้นเพราะไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยนี่เราจะเห็นได้อย่างชัดๆเมื่อิึงยั่วยวนก่อกวนทั้งหลายซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่กิ่เลทมันเป็นอยู่ภ า, า, ายในจิตได้ออกไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วไ ม, ม ไ, ไม่มีอะไรดิ้นไม่มีอะไรดี ไม่มีอะไรมายุแย่ก่อควรมีแต่ขันล้วนๆซึ่งแสดงตนดุยยบยิยบยัยบยิบยับยิบเพียงเท่านั้นเหมือนสัตไม่มีเจ้าของเพราะความคิดความปรุง ส, สัญญาความหมายสัญญาวิญญาณความรู้ก็สักแต่ว่าปรากฏขึ้นมาแล้วดับไปดับไปเพราะมันมีสิ่งที่เชื่อมโยงกันไม่มีความสืบต่อท่านจึงเรียกว่าขันล้วนๆเพราะขันไม่มียี่เด็ดยัญหา เป็นผู้ควบคุมเป็นเจ้าของถ้าทําเป็นเจ้าของทําก็มายึดเสียถ้ากิเลสเป็นเจ้าของเรายึดท่านเรียกว่าอุปาทานนัขันยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนนอกจากนั้นก็ยังยึดมั่นถือมั่นทั้งใจทั้งขันนี่ด้วยว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของเรานี่ถ้ากิเลสเป็นเจ้าของมันยึดหมดแต่ถ้าทําเป็นเจ้าของแล้วปล่อยหมด ด้วยเหตุนี้ขันตั้งห้าจึงเป็นขันที่บริสุทธิ์คือเป็นขันล้วนๆไม่เจือปนด้วยกิเลสแม้ทาเองผู้ที่ใช้ขันนั้นก็ไม่ติดขันเมื่อขันห้าซึ่งเป็นธรรมบัตของกิเลสกิเลสได้สิ้นไปจากขันนี้แล้วจากใจนี้แล้วขันห้ากลายมาเป็นเครื่องมือของธรรมไปแต่ธรรม คืจิตที่บริสุทธิ์แล้วนี้ย่อมไม่ยึดไม่ถือขันห้าหากอาศัยขันห้าเป็นเครื่องใช้ทําประโยชน์ให้โลกสงสารเพียงแต่รับผิดชอบกันไปเท่านั้นความยึดมั่นถือมั่นความกังวลวุ่นวายอันเป็นสิ่งที่จะทําจิตใจให้กับเพื่อนผุ่นมวลนั้นไม่มีเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆหนึ่งเหลือแต่ขันที่แสดงตัวยึดเยี่บยึดยี่ยอยู่ตามภาษีภาษาของมันเท่านั้นเมื่อถึงการนั้นมันก็สลายตัวลงไปตามเรื่อง ใจก็รู้ไปแล้วชัดๆไม่สงสัยจิตก็บริสุทธิ์เื่องล้วนอยู่ตลอดเวลาอาการโีไม่มีผู้มาบังคับบัญชาจิตตรงนั้นสติสตปัญญาที่เคยบังคับบัญชาเคยรักษาบำ ร, รุงจิตดรงนั้นก็หมดหน้าที่ไปเป็นสติปัญญาที่เอามาใช้ในเพื่อประโยชน์แก่โลกเท่านั้นไม่ใช่สติปัญญาที่จะต้องไปปราบปรามหรือแก้กิเลสประเภทต่างๆเหมือนแต่ก่อน แล้วสติปัญญาประเภทนี้ก็หมดภาระที่จะรักษาใจอีกต่อไปเพราะใจเป็นธรรมาชาติที่บริอสุดเหนือแล้วสติปัญญาเป็นสมมติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้นใดของสติปัญญาเป็นสมมุติทั้งนั้นคือเครื่องแก้กิเลยเมื่อกิเลสได้สิ้นสุดลงไปจากจิตใจแล้วสติปัญญาก็หมดหน้าที่ไปจะนํามาใช้เฉพาะเป็นการเปลี่ยเวลาที่เห็นต้อควรจะใช้ในงานในการนั้นๆเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สงสารเท่านั้นเอ ง, องไม่มีอะไรนั่น ความประเสริฐประเสริฐอยู่ที่ตรงนั้นดูไหนก็ไม่มีอะไรกวนใจหรือว่าพ้นโทษไม่จะถูกควบคุมเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนต้องควบคุมด้วยสติปัญญานอกจากนั้นยงกิเลส จ, จะมาควบคุ ม, มอีกแต่ทำละกิเลสไม่ได้กิเลส จ, จะต้องมาควบคุ ม, มกดขี่บังคับสติปัญญาต้องเหนี่นมัดระวังรักษาใจอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นก็ถูกยำ่ยำย่ำยีถูกทำลายจ น, นได้ นี่ละการประกอบความเพียรให้เห็นความจริงเห็นที่ตรงนี้ไม่เห็นที่ตรงไหนเอให้จริงให้จางลงที่นี้ให้เห็นที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะแย้งไปที่ไหนได้วะถ้าลงได้รู้ได้เห็นจริงแล้วไม่มีที่แย้งจะต้องเป็นไปตามที่ว่านกันนะจริงอย่างที่ว่าขันล้นล้วนนี่อจําให้ดีปฏิบัติไปจิตก็จิตล้วนล้วนความบริสุทธิ์ล้วนล้วนขันก็ขันล้วนล้วน ดูด้วยกันแต่ไม่ค้าเข้ากันนอกจากไม่ค้าเข้าแล้วยังไม่ยืดอเป็นย่างทายจะสอนจริงดีงกว่าพระพุทธเจ้าแต่เราต้องการความพน้นทุกข์จริงก็เชื่อพระพุทธเจ้าสิเชื่อกิเลสเชื่อมานานแล้วเชื่อราคะตัณหาก็เชื่อมาพอแล้วได้ผลอะไรเป็นที่พึงใจเชื่อความโลภความโกรธความหลง บรรดากิเลสประเภทต่างๆเชื่อมาพอแล้วได้ผลอะไรทีนี้เพิ ก, กจิตใจมาเชื่อธรรมฝืนกิเลสต่อสู้กิกเลสความอยากจะอยากขึ้นมาประเภทใดใครควรกี้ข่ายดูให้เห็นจักความอยากนี้เป็นกิเลสหรือความอยากนี้เป็นธรรมส่วนมากถ้าเป็นความอยากแล้วมกักจะเป็นกิเลสเสมอความอยากในธรรม เพียงแสดงขึ้นก็รู้หึงอยากประกอบความภาคความเพียรอยากหลุดพ้นมีความภาคความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนมีความเพียรเป็นกําลังขึ้นโดยลําดับเพราะศรัทธาความเชื่อความหวังพ้นทุกข์มีกําลังมากความเป็นเหตุให้จุดล่าความเพียรไปโดยลําดับและมีกําลังมากเช่นเดียวกันีความอยากประเภทเหล่านี้เป็นความเป็นมากไม่ใช่ความอยากที่เป็นกิเลสปัญหาอาสวะฝุดค้นต้องให้เห็นจริงเห็นจังภายในตนเ้วย ได้รู้ได้เห็นเอาละตัวนี้แก๊แกๆแล้วทันดับนักธรรมญาดับแค่นั้นไม่ได้ละตัวเทวดา